วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ห้าเมษายนพุทธศักราช2564เป็นวันพระวันธรรมัสสวานณะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันตามบุญบารมีให้จิตใจที่เปรียบเหมือนเป็นนถยนต์ ที่จำเป็นที่จะต้องมีการเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆถ้าซื้อรถมาแล้วไม่เติมน้ำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีรถก็ขับไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำมันรถแทนใดการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มเติมบุญบารมีก็ฉันนั้นเพราะว่าการเป็นมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับมียานพาหนะ ที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ออกจากกองทุกของสังสารวัฏคือการเกิดแก่เจ็บตายในภพต่างๆถ้าไม่ใช้ชีวิตอันนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ เกิดความเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่าประเสริฐก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดความหมายของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ที่จะสามารถศึกษาทางสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้การทางไปสู่การหลุดพ้นจากสังสารวัฏคือไตรภพ ที่โลกสัตว์โลกทั้งหลายติดข้องอยู่จะมีโอกาสได้ศึกษาก็ต่อเมื่อได้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้<ม>ถ้าเปรียบรถยนต์<ม>ถ้าร่างกายเราเป็นรถยนต์การเป็นมนุษย์ของเราเป็นรถยนต์พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนปั๊มน้ำมันถ้ามีรถยนต์แต่ไม่มีปั๊มน้ามันนี่จะทำยังไง ก็ไม่สามารถเติมน้ามันได้เมื่อไม่เติมน้ามันรถก็ไม่สามารถวิ่งไปตามจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ mm hmm. ฉันใดถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็เหมือนไปซื้อรถยนต์ที่ไม่มีปั๊มน้ำมันนะ mm hmm. ถ้าเรารู้ว่ารถยนต์นี้ซื้อมาแล้วไม่มีน้ำมันเติมเราก็คงยังไม่ซื้อกันซื้อมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะว่าไม่สามารถขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ต้องมีสถานีบริการตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่เราจะได้จอดแวะเติมน้ํามันกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะพาให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันจุดหมายปลายทางของเราทุกคนคืออะไรพวกเราทุกคนต้องการความสุขความเจริญ ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆจากความเสียหายต่างๆแล้วทางที่เราจะไปได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีผู้บอกทางเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีผู้บอกทางนี้เราจะไม่รู้จากทางที่จะพาให้เราได้ออกจากความทุกข์ต่างๆได้พาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญต่างที่แท้จริงที่ถาวน ดังนั้นพมนี้ชาตินี้ของพวกเรานี้จึงถือว่าเป็นพบที่ประเสริฐการได้เกิดเป็นมนุษย์ในภพนี้จึงถือว่าเป็นการเป็นความประเสริฐเพราะมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถที่จะศึกษาพราะธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วสามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้จิตใจ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เข้าถึงความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรตามลำดับต่อไปนี่คือสถานภาพของพวกเราทุกคนพวกเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปพระนิพพานกันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ พวกสัตว์เดรัจฉานนี้ถึงแม้เขาจะมาเกิดอยู่ในโลกเดียวกับเราก็ตามแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนิพพานได้เพราะเขาไม่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสรนสอนให้ปฏิบัติได้นั่นเองมนุษย์จึงประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานและอาจจะประเสริฐกว่าสัตว์ชนิดอื่น เ ช, เช่นพวกเทวดาอินพรหมทั้งหลาย mm. เทวดานี้ก็จะไม่มีโอกาสมากเท่ากับมนุษย์ในการที่จะได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการจะสอนเทวดานั้นจำเป็นจะต้องมีพร mm. ะอรหันต์ที่มีอภินยา ที่มีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้ถึงจะสามารถสอนได้เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี้มีอภินยามีความสามารถที่จะติดต่อกับพวกกายทิพย์คือพวกเทวดาได้ท่านก็เลยสามารถสอนพวกเทวดาได้เช่นพระพุทธมารดาก็เป็นเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปธรรมแล้วก็ทรงนึกถึงพระพุทธมารดาก็ส่งกระแสะจิตไปค้นหาจนกระทั่งได้พบอยู่ในสวรรค์ยังได้โปรดแสดงธรรมให้แก่พุทธมารดาอยู่ระยะเวลาสามเดือนด้วยกันที่เราเรียกว่าวันตักบาทเทโววันสิ้นสุดของ เวลาสามเดือนที่พระพุทธเจ้าได้ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนให้แก่พระพุทธมารดาและบรรดาเทวดาทั้งหลาย mm hmm. พระพุทธเจ้านี้มีพลังจิตเราเรียกว่ามีอภินยา mm hmm. อภิน ญ, ญานี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการหลุดพ้นจากตารเวียนว่ายตายเกิด ไม่จาเป็นต่อการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานดั mm hmm. นั้นขอให้เราเข้าใจไว้ว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่มีอภินยาเราไม่ต้องไปเดือดร้อนควรจะดีใจซิอีกเพราะถ้าเราไปได้อภิญยาก่อนได้นิพพานเราอาจจะไปติดอยู่ที่อภิญยาเราจะไปไม่ถึงนิพพาน mm hmm. เหมือนกับเดินทางไปกรุงเทพ ระหว่างทางไปเจอของดีกลางทางก็เลยไปจอดแวะแล้วก็เลยไม่ไปต่อก็เลยไปไม่ถึงกรุงเทพสัะทีอ่ะเปนยาก็แบบนั้นถึงแม้ว่าจะเลิศจะวิเศษในสายตาของของปุถุชนมนุษย์อย่างพวกเราที่สามารถติดต่อเทวดาได้สามารถระลึกชาติได้สามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นได้รู้ว่าผู้อื่นกาลังคิดอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้น แต่ความรู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะพาจิตใจให้ไปถึงพระนิพพานได้ฟันฝ่ากิเลสตัณหาไปไม่ได้ด้วยอภิญญาการจะไปนิพพานได้นี้ต้องผ่านต้องใช้อุเบกขาที่จะเกิดจากการเข้าสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิไม่ใช่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธ เป็นระดับที่ทำให้เกิดพิญญาเกิด เ, เกิดพลังจิตต่างๆขึ้นมาแต่แต่ไม่สามารถที่จะพาจิตให้ไปพระนิพพานได้ต้องอาศัยอัปปนาสมาธิที่มีอุเบกขาความนิ่งเฉยที่จะสามารถพาจิตใจให้ไปสู่พระนิพพานได้ ท่านที่ปฏิบัติแล้วไม่มีอภิน ญ, ญาไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะสมัยนี้มีการปฏิบัติในหลายสำนักด้วยกันก็อาจมีบางสำนักอาจจะเน้นไปทางด้านอภิน ญ, ญาก็มีแล้วท่านที่ไม่ได้อภิน ญ, ญาก็อย่าไปเดือดร้อนอย่าไปเสียใจไม่ต้องไปกังวลการไม่มีอภิน ญ, ญานี่ดีกว่ามีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเพื่อการบรรลุถึงพระนิพพาน เพราะถ้าไปได้อภินยาขึ้นมาแล้วจะหลงติดแล้วจะไม่ไม่ปฏิบัติเพื่อไปกำจัดกิเลสกับเอาอภินยาอนี้มารับใช้กิเลสคือความโลภพอมีตาทีพก็เลยเป็นหมอดูซะเลยอาชีพสบายใครอยากจะรู้อะไรก็มาปรึกษาก็ให้คำปรึกษาไปเขาก็จ่ายทำบุญมาให้ไม่ต้องไปแต่ทำงานให้เดิน เหนืเหนือ่อยเหนือหน่อยเอมื่อยล้าไม่ต้องไปปฏิบัตินั่งสมาธิให้หลังโคตหลังแข็งอยู่สุขสบายแต่เป็นความสุขชั่วคราวความสุขชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่หลังจากที่ตายไปแล้วจิตที่ยังมีกิเลสทันหาครอบงามอยู่ก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนั้นเวลาที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมกันนี้ ขอให้เข้าใจว่าสมาธินี้มีสองแบบนะแบบสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิก็อปปนาสมาธิจิตสงบตั้งมั่นอยู่ในอบเบขาสักแต่ว่ารู้มีจิตที่ปราศจากอคติสี่คือรักชังโกหลงเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอันนี้คือสัมมาสมาธิส ม, มาธิจะสนับสนุนปัญญาในการกําจัดกิเลสต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจส่วนอภิญญาหรืออุปจาระส ม, มาธินี้ไม่มีอุเบกขาไม่มีนัตถิสันติปรังสุขขังมีแต่ความสามารถที่ ความสามารถพิเศษเช่นสามารถติดต่อพวกกายทิพย์ต่างๆได้เท่านั้นแต่จะไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสและจะกลายเป็นธาตุาของกิเลสไปนับใช้กิเลสอย่างพระเทวทัตนี่ท่านก็ได้อภินยาและพอกิเลสสั่งว่าให้ไปขอพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นตัวเป็นผู้ปกครองสงแทนพระพุทธเจ้า ก็มันไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังถูกตัดกิเลตัณหาหลอกให้ไปแสวงหาลาบยศจรเสิญไปห า, าไปหากามหาโล ก, กรธรรมซึ่งเป็นเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะว่าโล ก, กรธรรมเช่นลาบยศจรลเสิญสุขนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปวันใดวันหนึ่ง่เทวทัศน์ไม่มีไม่มีอุเบกขาที่จะฝืนความอยากคนนี้ไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นว่าการเป็นใหญ่เป็นโตนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันเป็นได้ชั่วคราวนั่นเองได้เป็นใหญ่เป็นโตพอหมดวาระก็ต้องตกเก้าอี้ไป นทางให้คนอื่นเขาขึ้นมาต่อไปตอนนั้นก็จะมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจขึ้นมามีความไม่สบายใจขึ้นมาแต่คนที่ได้อภิญญานี้มักจะไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นตายรักแล้วก็จะไม่เห็นโทษของตัณหาความอยากความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโต เช่นเทวทัตก็อยากเป็นเป็นผู้นําสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าโดยอ้างว่าพุทธเจ้าแก่แล้วอปกครองสงฆ์ไม่ได้แล้วเหมือนสมัยนี้มีการอ้างข้อนี้ด้วยคนแก่แล้วเปยทางให้คนหนุ่มเข้ามาบ้างแต่ความจีิคนแก่นี่รู้มากกว่าคนหนุ่มพ่อแม่เรากับเราใครรู้มากกว่ากันไม่ ป, ปดพ่อแม่ไม่ให้เป็นพ่อแม่ได้เปล่า ไม่ได้หรอกท่านก็เป็นพ่อแม่ของเราอยู่แต่นี่โลกถูกกิเลสมันหลอกเราทำให้คิดว่าตอนนี้เก่งกับพ่อแม่เก่งกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งจริงท่านยังทํางานได้อยู่ก็ควรจะปล่อยให้ท่านทําไปเพราะท่านเป็นผู้ที่มีคุณอาวุธมีปัญญามีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าผู้น้อยแต่เรื่องของกิเลสตันหาทางโลกมันมีกระแสแรงมากต้านไม่อยู่ สมัยนี้พระเพิ่ก็ถูกปลดมีอายุกเกษียณ น, นะรู้สึกอายุแปดสิบนี้ท่านก็ปลดไม่ให้ไม่ทางานสมัยก่อนไม่มนะีสมัยก่อนก็เป็นไปจนวันตายแต่ตอนนี้เขารู้สึกเขาจะมีปลดไม่ให้ทำหน้าที่อะไรต่างๆเพราะว่าแก่แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกการที่ไม่มีปัญญาที่พูดนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ลาบยศสรรเสริญในโลกนี้มันเป็นของไม่ถาวรถ้าไปติดแล้วจะทุกข์จะเสียใจเวลาที่จะต้องหมดมันเวลาที่จะต้องสูญเสียมันไปผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงจะไม่สนใจในเรื่องลาบยศสรรเสริญ ส, สุดแต่พระเทวท่านนี้ท่านไม่ได้จเจริญขั้นปัญญาไม่ได้พิจารณาใจรัก ในสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ว่าเป็นของชั่วคราว mm hmm. ก็เลยคิดหล ง, หลงผิดคิดว่าตนเองเก่งเมีปัญญามีความสามารถมีอิทธิฤทธิปาฏิหารในบางเรื่องบางอย่างก็เลยคิดว่าตนเองเก่งก็เลยไปขออนุญาตแก้มังคับว่าท่านแก่แล้วควรจะตั้งให้ผมเป็นผู้ปกครองสงแทน พระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธเพราะพระพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยปัญญาว่าไอคนนี้มันยังไม่ได้เรื่องอกิเลสยังเต็มหัวใจอยู่ถ้าปล่อยให้มาปกครองสงเดี๋ยวก็วุ่นวายนะข้อที่หนึ่งคือสงจะยอมรับหรือเปล่าเพราะสง์ที่เป็นพระอริยสง์ก็มีอยู่เยอะพระอหรหันตสาวกก็มีอยู่เยอะถ้าเหล่านั้นท่านจะไม่ยอมรับคนที่เป็นกิเลสมาปกครองคนที่ไม่มีกิเลสอย่างแน่นอน ดันั้พระพุทธเจาก็ส่งปฏิเสธโดยอ้างว่าแม้แต่อัคระสาวกของเราทั้งสองรูปเรายังไม่ตั้งให้เป็นตัวแทนเราเลยสาวริบุตรนี่เป็นอัคระสาวกมือขวาของเราส่วนพระมคคัาลานะก็เป็นอัคระสาวกมือซ้ายของเราท่านเก่งการกว่าพัรดาพระสองทั้งหลายพระสาริบุตรก็เก่งทางด้านปัญญาในด้านการแสดงธรรมเผยแผ่ธรรม ไม่มีใครเทียบเท่ากับภาษารีบุตรได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้เก่งทางด้านอภิญญาไม่มีใครไม่มีสาวกรูปไหนที่จะมีความสามารถเท่าเทียมกับพระโมคคัลลานะยกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านยังไม่ตั้งให้มาเป็ น, ปนผู้ปกครองสงฆ์แทนเลยแล้วเธอเป็นใครมาจากไหน เธอยังกิเลสเต็มหัวใจอยู่พอพูดท่านนี้ก็โกรธโอ้แค้นมากเหมือนกับถูกย้ ม, มแต่ท่านพูดตามความเป็นจริงให้สติกลับไปโกรธใชพระพุทธเจ้าพูดไม่ต้องการจะเหยียดย้มใคร<ม>ต้องการสอนต้องการบอกความจริงปเทวทัติเธอเธอยังไม่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าเพราะเธอยังมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธโงงอยู่เธอควรจะไป ปีกเว่ยไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความโลภโกรธหลงนี้ให้หมดไปจะดีกว่าเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ของตัวเธอเองและประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปประโยชน์ของตัวเองก็คือจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถจะมาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้แล้วพอมีคนมาศึกษามาปฏิบัติแล้วได้รับประโยชนจากการสั่งสอน เขาก็จะมีศรัทธาเขาลมนับถือยกย่อ<า> ง, งให้เป็นหัวหน้าขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปขอใครพระพุทธเจ้ายังไม่แต่งตั้งใครให้มาเป็นหัวหน้าสงฆ์สงป่ายให้เป็นไปตามธรรมชาติใครมีบา ร, รมีใครมีความสามารถเดี๋ยวก็จะมีคนไปหาเองไม่ต้องมาแต่งตั้งให้เสียเวลาอันนี้คืออภัญยาเนี่ พิเลกครอบงมจิตใจของพระเทวทัตจนไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้พอผิดหวังก็เสียใจแล้วก็โกรธพระพุทธเจ้ากโกรธแค้นอย่างอย่างมากเลยคิดถึงที่อยากที่จะปรองพระชนพระพุทธเจา้าแล้วก็ได้ทำถึงสามครั้งด้วยกันแต่ไม่สาเร็จครั้งแรกก็ไปจ้างคนให้มาฆ่าพระพุทธเจา้า แต่ก็ไม่สามารถฆ่าได้พอพระพุทธเจ้าเจอก็คุยกับเขาเมตตาแสดงธรรมให้เขาฟังให้เห็นโทษของการทำบาปทำปานาติบาศ mm hmm. เขาก็เลยไม่ทำแล้วนอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังช่วยชีวิตเขาไว้ได้ด้วยโดยบอกว่าอย่ากลับไปทางเดิมนะเพราะว่าเขาจะส่งคนมาฆ่าพวกเธอเพื่อเพื่อปิดปากพวกเธออีกที mm hmm. นี่แหละ ความเมตตาของพระพุทธเจ้าถึงแม้เขาจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับไม่โกรธไม่เกลียดเขากับสงสารเขาสิพ อ, mm hmm. อจ้างคนมาฆ่าไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่ mm hmm. ก็เลยไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าเดินผ่านทางที่มีช้างอยู่ก็เลยไปรอเวลาพระพุทธเจ้ามาก็เลยได้ช้างออกมาเพื่อที่จะได้ไปเหยียบพระพุทธเจ้า แต่พอช้างเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แผ่พระเมตตาบารมีให้แผ่เมตตาให้กับช้างช้างก็แทนที่จะทําร้ายพระพุทธเจ้าก็กลับสยบตัวลงแต่ด้ความเคารพแทนครั้งที่สองก็ยังไม่ได้ก็ลองอีกครั้งครั้งที่สามครั้งที่สามก็ขึ้นไปบนเนินเขารอให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาแล้วก็กิ่ง ก้อนหินก้อนใหญ่ลงมาเพื่อหวังให้ทัพพระพุทธเจ้าให้ตายแต่ก็ทำได้เพียงแต่ทำให้สะเก็ดหินนี้ไปทำให้ถูกรอยพระบาทท่อเลือดเท่านั้นเองแต่กรรมแบบนี้ถือว่าเป็นกรรมหนะักอนันตริยกรรมนี้มีอยู่สี่หรือห้าคือหนึ่งคือฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สาฆ่าพระอรหรันต สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าทำให้สงแตกแยกอันนี้พระเทพบทัานนี่ทําผิดสองละสองข้อในอนันตฤกยกรรมทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดแล้วก็ยุยงให้สงแตกแยกยุยงให้สงนี้ไม่ให้ไปนับถือเคารพพระพุทธเจ้า ให้มาเป็นพวกของตนไม่ให้เป็นไม่ให้ไม่ให้ไปเป็นพวกของพระพุทธเจา้าเ <i> พราะอ้างว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่เป็นพาาระอาหารแท้ไม่เป็นพระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าไม่กินเจเรากินเจ <i> <i> พระพุทธเจ้ารับกิจนิมนต <i> ์เราไม่รับกิจนิมนต์เราต้องดีกว่าพระพุทธเจ้าเราต้องเก่งกว่าพระพุทธเจ้า <i> อ้างอย่างนั้นพระใหม่ที่ไม่รู้เรื่องก็เชื่อโอ้ท่าน ไม่กินเจถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ท่านตรวสัตว์มากท่านไม่รับกิจนิมนต์ท่านเข้งมากก็เลยกลับไปเห็นว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่าศาสดาที่แท้จริงอันนี้เลยทำให้เกิดการแตกแยกของสงฆ์ขึ้นมาเป็นสองฝ่ายแต่กรรมที่ท่านได้ทำไวน้นี้บาปที่ท่านได้ทำต่อพระพุทธเจ้านี้มันสร้างความทุกข์ด้ให้แก่พระเทวทัพอยู่ตลอดเวลา จนทนไม่ไหวจนในที่สุดก็ยอมรับความเป็นจริงว่าตัเองผิดก็เลยไปจะไปกราบทูลขอขมาแต่ระหว่างทางก็มีไปไปเดินลงตกในในดินที่สู่คนเข้าไปในดินดินเหลวตกไปเข้าไปในบ่อดินเหลวแล้วพอจะถูกดินเกินไปก็พอดียังมีทางเหลืออยู่ ก็กล่าวคําถวายคางนี้เป็นพุทธบูชาการพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทราบข่าวก็บอกว่าการที่เขามีจิตสํานึกผิดนแล้วขอการรมลาโทษจะทําให้เขาหลังจากที่เขาต้องไปใช้กรรมในนรกแล้วเขาจะยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกและจะได้เป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต นี่ก็คือนิทานเล่าให้ฟังเปรียบเทียบเรื่องคุณและโทษของอภิญญาอภิญญามีคุณมีประโยชน์แต่ต้องมีต้องใช้ผู้ที่คนจะใช้ก็คือผู้ที่บรรลุหลุดพ้นแล้วเช่นผ้าอาหารหันต์ทั้งหลายอย่างะ้ า, าจานมั่นผ้ า, าจา์ที่เป็นหลวงปู่มั่นที่เป็นปรมาจารย์ยุคปัจจุบันนี้ท่านก็มีอภิญญา ท่านก็สอนเทวดาทั้งหลายได้ท่านก็หลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็แสดงธรรมสอนเทวดาอยู่เรื่อยๆแล้วท่านก็มีวาละอ่านวาระจิตของพระเนนได้พระเนนไปอยู่กับท่านนี้กลั ว, ลวมากกลัวที่จะไปคิดเรื่องไม่ดียิ่งต้องมีสติคอยระมัดระวัง กลัวเดี๋ยวเกิดท่านส่งกระแสจิตมาดูว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวกำลังคิดถึงแฟนคิดถึงบาคิดถึงผับน้น เ, เดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะโดนท่านกำหลาบเอาก็ดีอย่างคนที่ไปอยู่กับอาจารย์ที่มีที่มีพลังจิตจะไม่กล้าคิดนอกลู่นอกทางจะพยายามคิดแต่ในทางของธรรมะอยู่เรื่อยๆ อ, ย อ, ย อ, ยอันนี้เป็นขอให้ถือว่าอภิญญานี้เป็นของแถม ไม่ได้เป็นของของหลักเป็นของที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็เอาไว้ใช้เวลาที่จะใช้ช่วยเหลือผู้อื่นสแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาได้พวกเทวดาเนี่ยต้องอาศัยพระที่มีอภิน ญ, ญาพระอรหันต์ที่มีอภินยาแสดงธรรมให้ถ้าพระอรหันต์ที่ไม่มีอภินยาก็ไม่สามารถที่จะแสดงฟังธรรมจากท่านเหล่านั้นได้ งั้นการเป็นมนุษย์นี้จึงถือว่าดีกว่าเทวดาในเรื่องของการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่าเทวดานี้จะต้องคอยหาพระอรหันต์ที่มีภิญญาที่จะแสดงธรรมให้กับพวกเขาฟังซึ่งมีน้อยมากตามที่ได้ยินได้ฟังมาผู้ที่ปฏิบัติจะได้ปัญญานี้ได้แค่ร้อยละห้าเท่านั้นเองส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีอภิญญากัน ดังนั้นอย่าไปถืออภิญญาเป็นเรื่องสาคัญอย่าไปถือเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารเป็นเรื่องสาคัญเพราะอิทธิฤทธิปาฏิหารนี่มาแก้ปัญหาเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องแก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคนต่อให้มีเครื่องรางของขลังเศกเปล่าด้วยพระอาจารย์เจิเจเจิอาจารย์ที่มีอภิญญาขนาดไหนก็ตาม มันก็ไม่สามารถไประ ง, งับวความตายของบุคคลที่มีวัตถุมงคลเหล่านั้นได้ไม่เชื่อไปดูเลยเวลาคนตายเี่ยอุบัติเหตุเนี่ยไปดูที่คอเลยห้อยพระกันเต็มไปหมดถ <laughs> <laughs> <laughs> ้าหนาจริงมันต้องไม่ตายอย่างนี้นะือมันตายอย่างนั้นน่ะ มีความเชื่อมันเลยทำให้หลงคิดว่าอ๋อถ้ามีของขังจากเจจิจอาจารย์แล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยหนังจะเหนียวยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าตายทั้งนั้นนะ่ะไม่มีใครอยู่รอดหรอกก็ดูคนที่เกิดมาก่อนเราที่เกิดมาอายุร้อยปีไปนี้ไม่มีใครอยู่หรอกแต่แม้ว่าจะมีมีเครื่องรางของขั ง, งห้อยอยู่เต็มคอก็ตาม มันหนีค้นหนีหนีจากความตายไปไม่ได้ดะงนั้นชาวพุทธเราต้องทําความเข้าใจนะว่าเรื่องเครื่องรางของขังนี้ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราสแสวงหาเครื่องรางของขังกันพระพุทธเจ้าสอนให้เราสแสวงหาสติปัญญาอันนี้แหละเป็นของขังที่แท้จริงเพราะสติปัญญานี้แหละจะเป็นตัวที่จะมากํำลาบกําจัดอิเลตตัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้ทำให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ขณะ น, นี้ถ้าเราไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตายไปเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วพอเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพัฒา์จากการตามมามีความสูญเสียได้อะไรแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไป เวลาเสียก็ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอันนี้จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าศาสตร์ใดเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องมีพระพุทธศาสนากลับไปถูกสอนให้ไปเชื่อเรื่องเครื่องรางของขังสแสดงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาก็คือให้ศึกษาให ความรู้ในอริยสัจ ส, สี่กับความรู้ในไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้แหละเป็นองค์ปัญญาที่แท้จริง<ม>เป็นเป็นธรรมะที่จะพาให้จิตใจได้แค็งแกร่งปลอดภัย<ม>รับประกันได้ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะไม่ตายจะไม่ตายเพราะอะไรเพราะจะไม่เกิดนั่นเองสาธ การมาเกิดในภพนี้ทุกคนตายหมดไม่มีใครพ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องตายพระหลานตสาวกทั้งหลายก็ต้องตายแต่ท่านตายเป็นครั้งสุดท้ายชาติสุดท้ายเพราะท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปท่านที่มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยาสัจสีเห็นตายลักแล้วนี้จะกำจัดความหลงที่หลอกให้มากเกิดเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายกันก น, ก น, นี่แหละคือสัมมาทิฏฐิหรือเป้าหมายของการการการปฏิบัติทาในทางของพระพุทธศาสนาปฏิบัติเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด แต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากความแก่ความเจ็บความตายของพบนี้ชาตินี้ไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นธรรมดาของวัตต์ที่มันจะมีการดําเนินการของมนไปของร่างกายร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็จะต้องเจริญเติบโต ต, ต่นเติบโตเต็มที่แล้วก็ต้องแก่ลงไปแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนา น, นที่สุดก็ตายไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตั้งแต่พระราชามาากษัตย์ลงมาจนถึงขอทานข้างถนนร่างกายเหมือนกันหมดทุกคนไม่ต่างกันร่างกายของพระเจ้าแผ่นดินกับร่างกายของขอทานนี้เหมือนกันมี มีปาบาเหมือนกันถูกสาบเหมือนกันสาบให้แก่สาบให้เจ็บไข้ได้ป่วยสาบให้ตายจะมีอำนาจวาสนามากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถมาลบล้างคำสาบอันนี้ได้จะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินกี่แสนล้านก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างคำสาบอันนี้ได้ฉะนั้นเราต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มาปกป้องรักษา ร่างกายของเรารอปภไม่จะมาเป็นรอปภด้วยการผลิตเครื่องรางของขังให้เราไปเอาไปเอาไปห้อยคอกันเราจะมาเป็นรอปภปกป้องรักษาไม่ให้ใครมาทำร้ายร่างกายของเราอันนี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำร้ายถ้าไม่จากภายนอกก็ภายในภายนอกก็เกี่ยวจากบุคคลต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆภายในก็เกิดเชื้อโรคเนี่ย หรือความเสื่อมของร่างกายมันก็จะทําลายตัวมันเองไปในที่สุดแต่สิ่งที่พระพุทธศาสนานี้จะทําให้กับเราได้ก็คือจะทําให้จิตใจของเรานี้หลุดพ้นจากการมาเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะตัวจริงของเรานี้ไม่ใช่ร่างกายตัวจริงของเราคือจิตใจจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่แหละคือตัวจริงของเราตัวที่มาเกาะติดกับร่างกาย เราก็ใช้ร่างกายให้พาเราไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของเราแต่พอเรารู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้เราต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะเราอยากได้ลาบยศสารเสรินสุขเราก็ต้องมีร่างกายกันทุกคนไม่ปฏิเสธเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนนี้ไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกเรื่องลาบยศสะรเสวนสุขอยากได้กันทั้งนั้นมีใครไม่อยากได้เงินบ้างมีใครไม่อยากได้ยศไม่อยากได้ตาแหน่งบ้าง มีใครไม่อยากได้คําสรรเสริญเยินยอบ้างมีใครไม่มีความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะบ้างของพวกนี้มันมีฝังอยู่ในใจมาตลอดเวลาความอยากเหล่านี้มันฝังอยู่ในใจมันจึงเป็นตัวที่พาให้ใจของเรามาเกาะติดกับร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วพอมาเกาะติดกับร่างกายก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา ก็เราอยากให้มันดีอยากให้มันปลอดภัยแค่คาาปลอดภัยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ในที่สุดร่างกายมันก็ตายไปความทุกข์ใจจึงเกิดขึ้นเกิดจากความหลงเกิดจากความอยากหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วก็ไปอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยู่อย่างแค่คาาปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขอยู่ด้วยราบยศเสรเสร แต่ความอยากเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามความอยากบางทีก็เป็นแต่เป็นก็ไม่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์บางทีก็ได้ลาบได้เงินได้ทองบางทีก็ได้ยศได้ตาแหน่งบางทีก็ได้รับการสรรเสริญเยินยอยกย่องบางทีก็ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่บางทีก็ไม่ได้อยากได้บางทีก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจ หรือถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวเสียไปก็ทุกข์ใจเสียใจอันนี้แหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราถึงทำให้การมาเกิดนี่มันเป็นทุกขนะ์พระพุทธเจ้าบอกการเกิดนี่มันเป็นทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่ให้ความสุขกับเรามันมันให้ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ตลอดเวลาแล้วไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง ดังนั้นการมาเกิดจึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะระงับกันให้ได้ยุติมันให้ได้จะยุติก็ต้องไปยุติที่ที่ใจที่มีความอยากอยากได้ลาบยสะะสศสรรสรนุกนี่ต้องตัดตัวนี้ให้มันหมดไปจากใจให้ได้และการที่จะตัดให้มันหมดไปจากใจได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะมาตัดความอยากกิเลสตัณหาความโลภความอยากเหล่านี้ ให้มันหมดไปจากใจเพื่อที่มันจะได้ไม่มาพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปศีลห้าแล้วก็พัฒนาให้เป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยีิบเจ็ดถ้าเป็นถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะต้องกลับมาทำต่อใหม่ เพราะว่าต้องมีศีลเพราะศีลนี้จะเป็นผู้สนับสนุนให้มีเครื่องมือชิ้นที่สองคือสมาธิแล้วพอมีสมาธิก็จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ให้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นต้องมีเครื่องมือสามชิ้นด้วยกันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเหมือนกับเวลาที่เราต้องเปลี่ยนยางรถเนี่ยยางรถเวลาบางทีเราวิ่งไปกลางทางยางแตกขึ้นมา เรามียางสำรองแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็ไม่สามารถเปลีย่ยนยางได้แต่ธรรมดารถก็จะมีเครื่องมือไว้ไว่ามีตัวคลายน็อตออกมีแม่แรงยกล้อขึ้นพอคลายน็อตได้ยกล้อขึ้นได้เปลีย่ยนยางใหม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะมากำจัดความอยากต่างๆความอยากได้ราบยศสารเสริญสุขนี่มันต้องมีเครื่องมือ ถ้าไม่มีเครื่องมือนี้มันสู้ความอยากไม่ได้ความอยากนี้มันมีอำนาจบุญแรงมากเวลามันอยากแล้วมันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจจนกระทั่งทนไม่ไหวจนกระทั่งต้องไปทำตามความอยากหรือว่าถ้าทำตามความอยากไม่ได้ก็ต้องคิดฆ่าตัวตายกันเพราะจะอยู่โดยที่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ไม่ได้คนที่ฆ่าตัวตายกันก็เป็นคนที่เสียใจผิดหวัง อยากได้อะไรแล้วไม่ได้หรือรม่มีอะไรแล้วอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆพอมันไม่อยู่มันจากเราไปก็ทำให้เสียใจแล้วถ้าไม่ได้ได้คืนมาก็จะทนอยู่ไปไม่ได้ก็จะคิดฆ่าตัวตายกันแต่การฆ่าตัวตายกันนี้ก็ไม่ได้เป็นการ่าแก้ปัญหาเลยเพราะเราไปจับคนผิดถ้าเป็นตำรวจก็ไปจับคนผิดคนที่ทำทาผิดคือ กิเลสตัณหาความอยากตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือความอยากถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปต้องฆ่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ก็คือความอยากต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าหยุดความอยากได้แล้วใจก็จะไม่ไม่มีความทุกข์ก็จะไม่คิดฆ่าตัวตายแต่ถ้าไปฆ่าร่างกายร่างกายมันไม่ได้เป็นต้นเหตุของการที่จะทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ค่ร่างกายไปตายไปใจก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมแล้วทุกข์มากกว่าเดิม ด, ด้วยซ้ำไปเพราะเวลาจะค่าตัวเองมันไม่ใช่จะเป็นของง่ายๆคนที่จะค่าตัวเองนี่จะต้องทุกข์มากๆเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองอีกดังนั้นการข้าตัวตายนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะตัวที่สร้างปัญหาก็คือความอยาก อยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เสียใจโกรธแค้นขึ้นมาไม่ฆ่าคนคนที่ขัดขวางเราก็ฆ่าตัวเองบางทีอยากจะได้นี่ยนนี่คนอื่นได้ไปก่อนก็เลยไปโกรธเขาก็เลยไปคิดฆ่าเขาก็ได้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดนะถ้าเป็นตำรวจก็จับคนผิดนะต้องไปจับกิเลสอย่าไปจับร่างกายร่างกายมันไม่รู้หน่วยไหน ไม่ฆ่ามันหรือไม่ฆ่ามันมันไม่ได้มาทําให้ใจทุกข์หรือไม่ทุกข์เพราะเมื่อก่อนนี้มีร่างกายใจก็ไม่ทุกข์นี่ใชแล้วตอนนี้พอใจทุกข์แล้วเราไปโทษร่างกายทำไมร่างกายมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้ทําอะไรร่างกายมันก็อยู่เฉยๆของมันแต่ตัวที่มาทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากนี่ตอนที่เราไม่มีความทุกข์ใจเรามีความตอนที่เราไม่มีความอยากใจเราทุกข์หรือเปล่าใจเราไม่ทุกข์เฉยๆ แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่ได้ขึ้นมานี้ทุกข์มากนั้นต้องมามาแก้ที่ใจมาแก้ที่ความอยากเนี่ยการการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือให้เรามากำจัดความทุกข์ที่ใจของเราด้วยการกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากได้ลาบรดเสริมสุขนี่ต้องตัดไปให้ได้ ต้องอยู่แบบไม่ไม่ยินดียินร้ายกับลาบยศสารเสสุขมีก็ได้ไม่มีก็ได้ <Yeah. S 2> การที่จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นี้เราต้องมีอย่างอื่นมาแทนที่ <Yeah. S 2> เราต้องมีความสุขในรูปแบบอื่นมาแทนที่ <Yeah. S 2> ก็คือความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้เอง <Yeah. S 2> จากการถือศีลจากการไปฝึกสมาธิ <Yeah. S 2> อันนี้แหละจะทำให้เราสามารถที่จะ ใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆได้ตอนนี้เราไม่มีความสุขในตัวเราเราก็เลยต้องไปหาความสุขเราเลยต้องไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิน่นรสต่างๆแล้วพอเราได้มาเราก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หมดหมดก็เกิดความทุกใจขึ้นมาใหม่ ก็ต้องไปหาใหม่ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆเวลาหาได้ก็ดีใจเวลาหาไม่ได้ก็เสียใจหาไปจนถึงวันตายความอยากก็ยังไม่หมดพอใจตายไปก็อยากจะไปมีร่างกายพอร่างกายตายไปใจก็อยากจะไปมีร่างกายอันใหม่ต่อก็ไปเกิดใหม่อีกเราไปเกิดใหม่ก็มาเป็นอย่างนี้อีก <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวก็แก่ <S <S เดี๋ยวก็เจ็บ <S 1> <S 1> เดี๋ยวก็ตาย ตอนต้นก็ดีแล้วเวลาเกิดใหม่ๆเป็นหนุ่มเป็นสาวกันมีกำลังวังชาแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีอยากจะทำอะไรก็ทำได้อย่างสะดวกง่ายดายรวดเร็วแต่พอเริ่มมีอายุมากขึ้นมากขึ้นจะขยับทีแข้งขยับขาแต่ละทีรู้สึกมันยากเหลือเกินมันตึงมันแข็งไปหมดนี่คือสภาพของความแก่แล้วเวลามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็ ต้องทุกทรมานกับความเจ็บป่วยของร่างกายแล้วเวลาตายนี้ก็จะต้องทุกข์กับความกลัวตายกันอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะตามมาอยู่เรื่อยๆตราบใดที่เราไม่มาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มาหยุดความอยากต่างๆด้วยการสร้างเครื่องมือขึ้นมามเครื่องมือนี้พระพุทธเจ้าให้กับเราเองไม่ได้ พระพุทธเจ้าบอกถอนวิธีสร้างเครื่องมือเหล่านี้ได้ต้องสร้างศีลขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมา mm hmm. จะสร้างยังไงก็ถ้าเราไม่เคยรักษาศีลเลยก็ลองพระพุทธเจ้าก็บอกว่าลองมารักษาวันไหนวันพระกันสักวันหนึ่งก่อนเริ่มต้นที่วันพระ mm hmm. เช่นวันนี้ถ้าเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเราไม่รู้ว่ารักษาศีลเพื่ออะไร ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องรักษาศีลเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการกําจัดต้นเหตุของความทุกข์ของเราคือกิเลสตัณหาต่างๆถ้าเราไม่เคยรักษาศีลห้าในวันพักเราลองมารักษาศีลห้ากันเช่นวันนี้จะสมาทานศีลห้ากันว่าหนึ่งจำละเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เป็นบาป ฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่ายุงก็บาปฆ่ามนุษย์ฆ่าวัวฆ่าควายก็บาปเพียงแต่ว่ามีหนักมีเบาเท่านั้นเองถ้าของฆ่าในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ก็จะหนักกว่าฆ่าในสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เช่นฆ่าคนนี้ก็มีหนักเบาฆ่าผู้ร้ายเนี่ยเป็นตำรวจไปฆ่าผู้ร้ายเนี่ยไม่หนักเท่ากับไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตนเองฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตนนี่หนัก ฆ่าคนอื่นไม่หนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ้าแม่เพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากคนอื่นนี้ไม่มีพระคุณหรือมีน้อยยิ่งถ้าไปฆ่าผูโจนผู้ร้ายนี้ยิ่งบาปน้อยใหญ่เพราะเขาไม่มีพระคุณไม่มีคุณประโยชน์ก็มีแต่โทษมีแต่พิษแต่ภยัยต่อผู้อื่นแต่ก็ยังถือว่าเป็นบาปอยู่ง<ม>ั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปฆ่าเขาถ้าจับเป็นได้จับเป็นให้เขาไปลงโทษให้เขาไปรับโทษตาม ตามกฎหมายไปเราอย่ามาเป็นเพชฌฆาตกันเพราะเราจะต้องรับผลบาปที่เราทําอันนี้มันไม่มีไม่มีกฎระเบียบมันเป็นกฎตายตัวเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมแล้วไม่มีข้อยกเว้นว่าเป็นเจ้าเนี่ยถ้าตรวจหรือเป็นทหารหรือเป็นใครก็ตามถ้าฆ่านี้มันจะถือว่าบาปเพียงแต่ว่ามันมีหนักหรือเบาฆ่าเพื่อฆ่าเพื่อป้องกันตัวเองมันก็เบากว่าฆ่าเพาะ เพราะว่าต้องการไปข่มเหงรังแกเของนี้เป็นต้นหรือฆ่าเพื่อที่จะไปเอาทรัพย์สินสมบัติของเขา อ, ขอนี้อันนี้มันจะหนักกว่ากันมีหนักมีเบาแต่ถ้าไม่ฆ่าเลยได้จะดีที่สุดอันนี้ก็เรื่องของสีห้าข้อหนึ่งก็คือปาณาติปาตาเลรมณีละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อสองก็คือการละเว้นจากการรักทรัพย์ของผู้อื่น ซั์นี่มันก็มีหลายรูปแบบเช่นไปขโมยข้าวของของชาวบ้านแถวนี้ก็เป็นการทําทำลักรัพ์อยู่แต่มันมีวิธีลักรัพ์แบบอื่นยักยอกรั์อันนี้มันเดี๋ยวนี้มีหลายวิธีด้วยกันแบบแนบเนียนที่เราไม่เหมือนกับที่เราอาจจะไม่รู้กันก็ไดนะ้แต่อะไรก็ตามรั์ที่เราได้มาโดยที่มันไม่เป็น มันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ไม่วดแล้วเราไปได้มาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ถือว่าเป็นการรักทรัพย์เหมือนกันอัอนั้นอย่าไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นทรัพย์ของเราอย่าไปเอาของที่ผู้อื่นเขาแม่อนุ ญ, ญาตให้เราข้อที่สามก็ให้เราละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีคือการร่วมเพศเนีน่ยถ้าเราจะร่วมเพศขอให้เราร่วมเพศกับคู่ครองของเรารักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียว หรือแฟนเดียวอย่าไปมีหลายแฟนมีคนนี้แล้วเดี๋ยวก็อาจไปมีคนนั้นต่อเดี๋ยวก็จะมีเรื่องมีราวตามมากันมีบ้านเล็กมีบ้านใหญ่เดี๋ยวก็ตีกันมีทุกขตามมาดีไม่ดีเดี๋ยวก็โดนฆ่าก็ได้ถ้าเขาแค้นมากๆโกรธมากๆเดี๋ยวว่าฆ่าเราก็ได้ที่เราไปน่าใจเขาเนี่ยอันนี้ก็อย่าไปทำถ้าอยากจะมีคู่ครองอยากจะเซ เสษเพศสัมพันธ์ก็ให้มีคู่ความของตนอันนี้เรียกว่าเป็นการรักษาศีลข้อสามไม่ไปพูดผิดปรวเวณีข้อสี่ก็คือไม่ให้พูดปดให้พูดแต่ความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดขูบปากไว้เฉยๆก็ได้ไม่มีใครมาบังคับให้เราพูดได้ถ้าเราไม่อยากจะพูดเพราะถ้าเราว่าคิดว่าพูดไปแล้วโกหกก็อย่าไปพูดหรือว่าพูดไปแล้วมัน จะทำให้เกิดความเสียหายก็ไม่ต้องพูดก็ได้ mm hmm. อยอมยอมรับกรรมทาให้พูดแล้วเขาก็จะทุบตีเราก็ยอมให้เขาทุบตีเราแต่เราจะไม่พูดเราจะไม่ทำบาป mm hmm. แล้วข้ขอที่ห้าคือไม่ให้ดื่มสุรายาเมาหรือของมึนเมาต่างๆอันนี้ความจริงไม่บาปไม่เป็นบาปโดยตรงเป็นอบา ย, ยมุข แต่เป็นตัวที่จะเสริมสนับสนุนให้ทำบาปได้ง่ายเพราะคนที่ดื่มของมึนเมาแล้วจะไม่มีสติคอยควบคุมกายวาจาใจคิดอะไรไม่ดีก็จะปล่อยออกมาจะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้แต่ถ้ามีสติไม่ได้ดื่มสุรายาวเมาไม่มึนเมานี้จะมีสติคอยควบคุมความคิดการพูดการกระทาของตนได้ ถ้าจะคิดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ยับยั้งได้คิดไปรักทรัพย์ก็ยับยั้งได้คิดไปประพฤติผิดประเวณีก็ยับยั้งได้คิดที่จะพูดโกหกก็ยับยั้งได้แต่พอไม่มีสตินี้มันไม่ยับยั้งเลยนะมันจะทำอะไรมันก็ทำเลยนี่เขาเลยต้องเอามารวมไว้ในศีลห้าด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยให้ดื่มชวายามาแล้วเดี๋ยวก็ไปทาบาปได้นั่นเอง ก็เลยต้องห้ามใกนการห้ามดื่มของมึนเมาไม่ใช่แต่สุราอย่างเดียวอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วทําให้เกิดอาการมึนเมายาบ้งยาบ้านี่ก็เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเหมือนสุรายาเมากินแล้วไม่สามารถควบคุมสติได้ยาเสพติดต่างๆนี้ก็เช่นเดียวกันฉั้นก็ให้เข้าใจหลักของความหมายของข้อห้านี้ว่าเป็นการเสพของมึนเมาของที่จะทําให้ขาดสติน ไม่ว่าจะเป็นสุราไม่ว่าจะเป็นกัญชาฝิ่นหรืออะไรก็ตามถ้าเสกไปแล้วทําให้ไม่มีสติคอยควบคุมใจของตนเองกายวาจาใจของตนเองก็ถือว่าไม่ควรจะเสกนนี้ก็คือเรื่องของศีลห้าถ้าเราไม่เคยรักษาแบบเป็นกิจลักษณะลองมาเริ่มดูที่วันพระกันอย่างน้อยวันนี้วันพระตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นคือบยี่สี่ชั่วโมง ทางศาสนาพวกนี้เราเริ่มต้นวันที่ตอนพระอาทิตขึ้นพระอาทิตขึ้นเป็นวันใหม่ถ้าเราจะรักษาศีลหนึ่งคืนหนึ่งวันก็รักษาตั้งแต่เช้าของวันนี้จนกระทั่งถึงเช้าของวันพรุ่งนี้ <c oughs> เรียกว่าเป็นหนึ่งคืนหนึ่งวัน <c oughs> เป็นการรักษาศีลอย่าไปรักษาศีลแบบศรีถนนทชัยรักษาไงรู้ไมรักษาตอนนอน <c oughs> <c oughs> ตอนนอนไปสมาธานศีลนอะเดี๋ยววันนี้จะขอสมาทานศีลอันนั้นมันนอนมันไม่ได้ทาอะไรอยู่แล้วอย่งสมาทานศีลตอนที่เรากำลังกํากำลังตื่นต้องรักษาศีลตอนที่เราตื่นอย่าไม่รักษาศีลตอนที่เรานอนหลับอ๋อวันนี้ได้รักษาศีลแล้วสมาทานตอนก่อนนอนพ อ, พ, อพอตื่นขึ้นมาก็เลิกสมาทาน อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่การรักษาศีลเป็นศีถนนชัยกรรักษาศีลต้องรักษาในตอนที่เราตื่นเพราะการกระทําผิดนี้เราทําผิดหรือทําถูกนี้มันจะเกิดขึ้นตอนที่เราตื่นมันไม่ได้เกิดจากตอนที่เราหลับลองรักษาดูนะถ้าเราไม่เคยรักษารักษาแล้วเราจะเห็นมีผลขึ้นมาทางจิตใจเราจิตใจเราจะมีความมั่นคงมากเคยมีความรู้สึกสบายใจขึ้น เพราะว่าเวลาที่เราทำบาปแต่ละครั้งนี้ใจของเราจะไม่สบาย mm hmm. เวลาเราไปโกหกใครนี่โดยเฉพาะโกหกคนที่เขาให้คุณให้โทษกับเราได้นี่เราจะไม่ค่อยสบายใจ mm hmm. เพราะกลัวว่าเขารู้เดี๋ยวเขาเกิดเขาจับได้ก็สวยแต่ mm hmm. ถ้าเราไม่ไม่โกหกยอมรับผิดไปดีกว่าถ้าผิดก็ยอมรับผิดไป mm hmm. มันจะได้หมดเรื่องหมดราวไป mm hmm. ล้วก็โทษก้า จ, จะไม่หนักด้วย พอสารภาพผิดเขาก็เห็นใจเพราะคนเราทุกคนก็มีการผิดพลาดได้นะแต่ไม่ควรที่จะไปปกปิดโทษของตนเพราเป็นการทําความผิดซ้ําซ้อนผิดจากการกระทำแล้วยังมาผิดจากการมาปกปิดการความผิดของตนเองด้วยก็เลยจะพอถูกจับได้ก็จะโดนลงโทษหนักแต่ถ้าเราผิดพลาดก็ยอมรับว่าผิดพลาดเสียสเพอสติไปขาดสติโดน ถูกอารมณ์ครอบงาำจิตใจควบคุมจิตใจไม่ได้แต่ขอสํานึกผิดยอมสารภาพไปส่วนส่วนมากสายก็จะลดคึ่มลดโทษให้ลงครื่มหนึ่งเพราะเข้าใจธรรมชาติของคนว่ามันก็มีการผิดพลาดได้แต่เมื่อมีการผิดพลาดแล้วยอมรับผิดก็เสือว่าเป็นคนที่มีจิตสํานึกที่ดีและจะจะได้พยายามที่จะไม่ทําผิดครั้งต่อไปอีกแต่ถ้าปกปิดครั้งนี้ได้เดี๋ยวครั้งหน้าก็ปกปิดอีก แล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยไปได้ทําอะไรผิดแล้วก็โกหกไปเรื่อยๆทำอะไรผิดก็โกหกไปเรื่อยๆมันก็ทําให้ตัวเองนี่กลายเป็นคนไม่มีสักยภาพไม่มีคุณภาพไม่มีเครดิตถ้าใครเขารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกหกแล้วต่อไปก็ไม่มีใครเชื่อถือเรา พ, พูดอะไรแเราเขาก็ไม่ฟังเราคําพูดของเราก็จะไม่มีน้ําหนักอันนี้คือศีลข้อข้อข้อที่สี่ คือการพูดปดคือการศีลนีข้อนี้มันมีหลายระดับนะถ้าระดับสูงนี่มีมีมีเพิ่มเติมนอกจากการไม่พูดปดแล้วยังต้องไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่พูดไม่พูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีอันนี้เป็นเป็นเป็นศีลขั้นสูง แต่สําหรับพื้นฐานของผู้เริ่มรักษาศีนห้าสินแปดนี้ไม่ต้องรักษาสีลสามข้อนี้ก็ได้สินสามข้อนี้ส่วนใหญ่จะให้เพื่อนพวกนักบวชให้พวกพระพวกชีพวกภิกษุณีนี้รักษากันเ<ม>พราะเป็นเป็นเป็นศีลที่ละเอียด<ม>แต่สาหรับผู้ครองเรือนี้ก็รักษาแต่เพียงการไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวง<ม>ก็ถือว่ารักษาสินข้อนี้ได้แนละ้ว เพราะว่าอยู่คารวาสมันมันยังต้องจะพบปะกันอยู่แล้วบางทีก็มีอารมณ์บางทีก็เผลอโกรธขึ้นมาก็เดี๋ยวก็ผูดพุลสว่าออกมาได้เกิดครับว่าจะให้สุภาพเรียบร้อยขึ้นมาได้งนั้นรักษายากจึงไม่ไม่ไม่ไมบังคับอยู่ในศีลห้าหรือศีลแปดแต่ไปบังคับอยู่ในกรรมบทชสิบกุศลกุศลกรรมสิบประการด้วยกัน ซึ่งเป็นสำหรับพวกนักบวชกันแต่ถ้าอยากจะรักษาได้ก็ดีถ้าญาติโยมอยากจะรักษาสารข้อนี้ได้ก็ดีพยาไม่พูดทำหยาบเลยแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อคือพูดเรื่องไร้สาระพเพ้อเจ้อก็เรื่องไร้สาระพูดอะไรก็ให้เป็นเรื่องที่มีคุณมีประโยชน์เรื่องทางวิชาการหรืออะไรที่พูดแล้วมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนฟัง อย่าไปพูดเรื่องนินทาการเลเรื่องวิาพากษ์วิจาร์ดา่าคนนั้นดา่าคนนี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปพูด<ม>เสียเวลาเสียเวลาทั้งคนพูดทั้งทั้งคนฟังไม่ได้ประโยชน์<ม>แล้วก็อย่าพูดยุยงไม่แตกแยกสามัคคีพยายามพูดให้คนรักกันสามัคคีกันอย่างในหลวงรอก้าท่านเวลาท่านพูดทิฏฐาท่านก็บอกให้รู้รักสามัคคีกัน เพราะความสามัคคีนี้มันจะทําให้เราอยู่กันได้อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงถ้าเราเกิดแตกแยกกันในสังคมนี้เราจะอยู่กันไม่ได้มันจะแตกเป็นเสียงๆไปบ้านเมืองจะแตกแยกเป็นเสียงๆไปเห็นเราไม่ควรที่จะพูดยุง่งยองให้เกิดความแตกแยกสามะคัคคีควรจะพูดให้ถนอมน้ำรักษาน้ําใจกันสมัครสมานกันอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันเหมือนกันลิ้นกับฟันต้องอยู่ด้วยกันน ก็อย่าไปตัดลิ้นทิ้งนอย่าไปถอนฟันออกเพราะมันต้องมีทั้งฟันทั้งลิ้นมาทำประโยชน์คนในสังคมก็เหมือนกันมีคนที่มีความเห็นแตกต่างกันแต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะได้พัฒนาบกว่างรักษาสังคมให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงแต่ถ้ามาพูดยุยงให้แตกแยกสามัคคีกันเดี๋ยวก็กลายเป็นบ้านเมืองที่มีแต่การทะเลาะวิวาทกัน จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาก็ได้แล้วใครจะเดือดร้อนก็พวกชาวบ้านชาวประชาชนนี่แหละเมื่อมีการต่อสู้กันไปดูประเทศที่เขามีสงครามกลางเมืองอยู่เป็นยังไงบ้านเมืองเขาอยู่กันอยู่กันอย่างยากลําบาก<ม>นี่ก็สาเหตุจากการที่มีวาจาที่พูดแล้วยุยงทําให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันนั่นเอง นี่คือเรื่องศีลที่ท่านที่ไม่เคยรักษามาก่อนแบบเป็นกิจจลักษณะก็ลองมารักษาดูเพราะการปฏิบัตินี้มันจะต้องทาแบบมีเจตนามีความตั้งใจแล้วก็มีเหตุมีผลเหตุผลก็คือเราต้องการจะสร้างเครื่องมือเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้สู้กับความอยากกาจัดความอยากที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับเราเครื่องมือชิ้นแรกที่เราต้องสร้างขึ้นมาก็คือศีลศีลก็มีหลายระดับ ระดับง่ายขึ้นไปสู่ระดับยากจากสีลห้าพอเรารักษาสีลห้าได้แล้วต่อไปเราก็ลองรักษาสีนแปได้เพิ่มขึ้นอีกสามข้อสีนแปก็มีที่ต้องเพิ่มอีกสามข้อก็คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากบันเทิงต่างๆ ไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวทําหน้าทำตาทำผมทําอะไรต่างๆปล่อยให้ร่างกายอยู่แบบธรรมชาติดูแลรักษาด้วยการอาบน้ําอาบท่าชําระไม่ให้มันสกครกไม่ให้มันมีกลิ่นก็พอไม่ต้องไปงกังวลกับเรื่องรูปลักษณะว่ามันสวยงามหรือไม่สวยงามเพราะความสวยงามที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย<ม>ความสวยงามที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจ ถ้าร่างกายสวยแต่จิตใจไม่สวยไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยหรอกอยู่กับคนที่ไม่มีศีลกับอยู่กับคนที่มีศีลไหนจะน่าอยู่กว่ากันความสวยงามของคนอยู่ที่ศีลนี่เองอยู่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มของมุ่นเมาอยู่กับคนที่มีศีลแล้วสบายใจแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่มีศีลนี่เหนื่อย ไม่รู้มันจะโกหกเรื่องไหนบ้างไม่รู้มันจะเราเอาเงินเราไปเมื่อไหร่นี้ไม่ดีมันอาจจะฆ่าเราขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รูดังนั้นความสวยงามนี้ให้สวยงามที่จิตใจด้วยการรักษาศีลที่ให้ถือศีลแปดเพิ่มขึ้น เ, เพราะเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมคนที่จะต้องการไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปหาความสงบนี้จาเป็นที่จะต้องตัด กิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปศีนข้อแปดก็มาห้ามข้อนี้ไม่ให้กินข้าวมากเกินไปกินแค่มื้อเที่ยงก็พอไม่ต้องกินมื้อเย็นก็อยู่ได้นแล้วก็ไม่ต้องดูหนังฟังเพลงดูละครอะไรต่งตางๆเพราะถ้าดูแล้วมันก็ไม่มีเวลามาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบนั่นเองศีนแปนี้กินเป็นศีนเพื่อสนับสนุนให้เกิดสมาธิให้ได้ปฏิบัติสมาธิ แต่ตอนต้นถ้าเรายังรักษาสีแปดไม่ได้ก็ลองรักษาศีห้าไปก่อนว่ารักษาศีห้าได้มั่นคงแล้วเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีว่าทำให้เรารู้สึกสะอาดขึ้นใจเราสบายขึ้นเรามองหน้าใครแล้วรู้สึกไม่ต้องคอยปกปิดอะไรต่างๆเพราะเราไม่มีอะไรจะปกปิดเราไม่เราไม่โกหกหลอกรวงใครมันจะทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจสบายใจ<ม>ก็อยากจะรักษาเพิ่มมากขึ้น ตอนต้นก็รักษาแค่วันพระต่อไปอาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันหรือวันไหนสะดวกก็รักษาไปได้ก็รักษาไปต่อไปเราก็จะรักษาได้ทุกวันเรารักษาสี่ห้าได้ทุกวันก็อยากจะมาลองรักษาศินแปดเดืกก็มาลองดูวันพระวันพระแล้วก็หรือวันความจริงวันพระนี่มันต้องเป็นวันที่หยุดทํางานถึงจะสะดวกสมัยก่อนวันพระมันตรงกับวันหยุดทํางานเพราะว่าเราจะได้ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมได้ แต่ถ้าเราไปรักษาศีลในวันที่เราทางานเราทาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนวันพระเป็นวันหยุดทำงานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์วันนั้นเราก็มาถือศีลกันมาถือศีลห้าศีลแปแล้วก็ไปอยู่วัดกันเพื่อที่จะได้มีสถานที่สงบเพื่อที่เราจะได้นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้จะได้สัมผัสกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งหรือความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เราจะเอามาทดแทนความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากต่างๆถ้าเรามีความสุขทังจากความสงบแล้วต่อไปเราก็จะเลิกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรดได้แล้วเราก็จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้แล้วใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป น, นี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยัถ า, าวาริวะหาตุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป ก, กับปฏิอิชิตังปฏทิ ต, ตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาร o โสยธามณิจตีระโสย t าสัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพารวโขวินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวา พิวาธนสีดิตสะนิจังวุธาประจายิโนจาตาโรธรมมาวัทานติอายุวันโอสุข้างพาล้ามพาล้าล้าดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องอายอยากรู้อยากอะไรเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่ไม่เข้าใจอยากจะถามเชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่หลังจากเลิกแล้วจะขออน ย, ย, ย, ย, ยุติการถามตอบเพราะจะไม่สะดวกวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีใครมีอะไรบ้างคราบนรมาสการพระอาจารย์เชีวค่ะวันนี้ยอดผู้รับฟังทางเฟบ๊มี 5้ารอยสาสิบท่านเจ้าค่ะ y o u t u สองร้อยสามสิบแปดท่านวิทยุออนไลน์แปดท่านคลับเฮาส์1ิบสี่ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิเจ็ดสิบสามท่านรวมเป็นแปดร้อยหกสิบหกสิบสามท่านเจ้าค่ะโอเคถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยใช่ค่ะมีคำถามฝากถามจากหน้ากุดนะคะคำถามที่หนึ่ง การอธิษฐานโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสวดบนในวงเล็บบทที่เราสวดประจําอย่างน้อยวันละเก้าจบนี่ถือเป็นการอธิษฐานที่ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องคือการที่การอธิษฐานนี่คือการตั้งเป้าหมายของการกระทําไม่ได้อธิษฐานเพื่อขอให้ได้ผลนั้นผลนี้ผลมันไม่ได้เกิดจากการขอผลมันเกิดจากการกระทํา ถ้าเราทำแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ถ้าเราสวดอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือสติการสวดมนต์นี่ก็เพื่อการสร้างสติขึ้นมามีสติแล้วต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิได้คำถามข้อที่สองว่าด้วยความหลงในทางพุทธศาสนาคือความหลงในธรรมและการหลงลึกคือภายนอกดูสงบ แต่ในจิตใจ ย, ยังว้าวุ่นอยู่เราสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะก็แก้ไขด้วยสติปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญาจะทำให้ใจสงบได้ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญา ถึงแม้ข้างภายนอกจะนั่งนิ่งเฉยๆแต่ภายในเหมือนภูกเขาไฟตอนนี <laughs> ้ไม่ดีก็เดี๋ยวก็ระเบิดออกมาได้แต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วมันจะนิ่งทั้งภายนอกนิ่งทั้งภายใน คำถามข้อที่สามการสวดมนต์บางบทเช่นการสวดพันยักษ์เหตุใดจึงทำให้คนที่สวดหรือไปร่วมพิธีสวดบางคนควบคุมสติไม่อยู่ซึ่งจริงๆแล้วทุกๆบทสวดมนต์จะมีพุทธคุณให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งควรจะเกิดความสงบและความสบายใจค่ะขอบพระคุณค่ะพอสวดแบบไม่มีสติไง สวแล้วก็ไปตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะต้องสั่นนะต้องมันก็เลยสั่นนะพอสวดไปนิดหน่อยเดี๋ยวก็สั่นเดี๋ยวก็ข้างขึ้นมาคำถามจากยูทู e จากคุณปริชาติหลวงพ่อคะผู้ที่เคยทำแท้งจะเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันได้ไหมเจ้าคะได้ถ้ามีถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อดีตไม่เป็นตัว ขัดขวางการเข้าถึงพระนิพพานาอยู่องค์คุลิมานองค์คุลิมานฆ่าคนถึงเก้าร้้าสิคนก็ยังไปนิพพานได้ถ้ามีคนสอนที่ถูกพาไปพอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกฆ่าผิดคนอย่าไปฆ่าคนให้ฆ่ากิเลสฆ่าความโลภ ค, ความโกรธความองคคุลิมานก็เลยเปลี่ยนเป้เปามาฆ่ากิเลส พอฆ่ากิเลได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาคงคลุลมาน ก, ก็เป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานได้เช่นตามเรื่องการทำแทงเนี่ยครับคือมีอยู่สองเคสนะครับคือเคสแรกนะี่คือเขาโดนขมขืนแล้วเขาก็ได้ทําแทงเพราะว่าเขาไม่สามารถเรียนดูได้แล้วก็อีกที่สองคือเขาไม่โดนขมขืนครับแต่เขาก็ทําแทงอีกมาประมาณยี่สิปีแล้วคําถามคือสองคนเนี้ยคือเขาก็ไม่ทําผิด หนักแบบนี้ก็เลยคือจะมีวิธีไหนทําให้เขารู้สึกเหมือนกับบาปมันเบาลงบ้างอะครับบาปที่ทําไปแล้วมันไปแก้มไม่ได้เพียงแต่ว่าทําให้เขามีจิตสํำนึกว่าเป็นการกระทําที่ผิดแล้วก็พยายามที่จะอย่าไปทำอีกต่อไปการกระทําที่ผ่านมาแล้วก็ลืมมันไปเถอดเพราะาคิดไปก็จะทําให้ทุกข์ใจไปเบาๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่ถ้าคิดจะให้คิดแบบให้สํานึกว่าเออเราไม่ควรทําเลยข่าวต่อไปเราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นไปเรามีวิธีไหนแบบที่ทําให้บาปมันมาลงได้ไหมครับอย่างเช่นแบบมีเดียววิธีเดียวคือทําบุญให้มากครับแล้วบาปมันจะมีสัดส่วนน้อยลงใช่ไหมเมื่อบริษัทเขาเพิ่มพุ้นเนี่ยเขาเขาเพิ่มหุ้นขึ้นมาคนที่เสียพุ้นมากก็จะเหลือน้อยลงไปอกําลังกําลัง ออกคะแนนเสียงก็จะน้อยลงไปถ้าเราทำบุญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆบาปที่มันมัมนมีกำลังมากมันก็จะน้อยลงไปเพราะว่ามันสู้กำลังบุญไม่ได้ขอบคุณครับคำถามต่อไปจากคุณนางรูรูนะคะกราบนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาพุโทโธช้าๆมันหยุดความคิดไม่ได้เจ้าค่ะ ถ้าหนูพุโทโธเร็วๆก็หยุดความคิดได้ถ้าพุโทโธเร็วมากๆเหมือนกับใจมันเหนื่อยพยายามพุโทโธก็ไม่ออกมาเจ้าค่ะอย่างนี้ควรทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ดูลมแทนก็นแล้วกันถ้าพุโทโธไม่ได้ก็ดูลมไปคำถามจากคุณออยค่ะกราบนรมาสการเรียนถามครับถ้าเราเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมมีความเมตตากิเลสเบาบางมาตลอด แต่พอเวลาจิตสุดท้ายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุได้เกิดมีใจอกุศลโกรธแค้นคนที่เคยทําร้ายเราทานันจิตใจอย่างแรงพอดีชีวิตหลังความตายเราจะเป็นอย่างไรครับ อ, อไม่อยากจะตอบทฤษฎีคาถามทฤษฎีเ <c oughs> นาะอาจารย์ถามได้ค่ะ ข, ขอนญาตจ้ค่ะพูดกล้เอาไหมใกล้ใกล้ป่ะ อ, อันไหนใหมไม่นี่เลยพูดครัค่ะ เวลาที่หนูนั่งสมาธิในห้องพระนะค ะ, ะนั่งประมาณสักหนาทีจะออ้วกขึ้นนะค ะ, ะค่ะแล้วคันคอก็จะอ้วกขึ้นตลอดอค่ะเราเร า, เรามไม่เคยนั่งแล้วพอเวลานั่งมันก็เลยมีปฏิกิริยาแบบนี้ก็อย่าเพิ่งนั่งสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนอสวดมนต์ไปจน ก, กระทั่งรู้สึกใจเบาลงแล้วค่อยลองนั่งต่อ สวดไปนานๆานสวดสักครึ่งชั่วโมงอะไรนี่ก่อนแ้าลองมานั่งต่อไปเดู๋ยใจมันก็จะสงบลงมันก็อาจจะไม่มีปฏิบิราตาต่อต่อต้านการนั่งเฉยๆส่วนบนก่อนค่ะสาธุค่ะคำถามต่อไปจากคุณก้องนะคะกราบนามัสการพระจารยร์ครับประโยคว่าทุกอย่างเป็นกิเลส ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาดีหรือชั่วแม้จะเป็นกิเลสถ้าไปทางที่ดีก็สุดสิ่งที่ดีประโยคนี้จริงไหมครับและขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมกราบขอบพระคุณออครับจริงหรอกทุกอย่างเป็นกิเลสนี่ไม่จริงหรอทุกอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นกิเลสหรือเป็นธรรมเขาเป็นธรรมดาของเขาดินน้ำลมไฟนี้เขาไม่ได้เป็นกิเลสเขาไม่เป็นธรรมไอ้ที่กิเลสหรือธรรมนี่มันอยู่ที่ใจเราที่ไปคิดว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา ถ้าคิดว่าไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันก็เป็นกิเลสว่าเป็นความหลงถ้าไปคิดว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันก็เป็นธรรมเป็นปัญญาคำถามจากคุณอายุน้อยพันล้านพระอาจารย์ครับเดินจงกรมอย่างไรไม่ให้ตึงผมเดินจงกรมที่ทีไรภาวนาพุโทโธแต่มันตึงตึงตรงต้นคอมือหัวด้วยครับเกิดอะไรครับก็เดินแบบไปเที่ยวเลย เวเดิน ไ, ไปเที่ยวไม่รู้ <c oughs> เขาคว่าเราเดินเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวพุโทโธไปท่องพุโทโธไปเดินมาไปเที่ยวศูนย์การค้าหรือเดินไปเที่ยวตามสวนสัตว์อะไรนี่ไม่เห็นเป็นอะไรนีอันนี้ก็เหมือนกั น, นก็เดินแล้วก็เราก็ดูพุโทโธไปพุโทโธไปอย่าไปเก่งเดินธรรมดาคำถามจากคุณจตุรน ระ บ, บนมัสการพระอาจารย์ขอเรียนถามในบทสวดมนธธต์พุทธภิทุติอธิการยานางไพเราะในเบื้องต้นมีความหมายหมายถึงอะไรครับอันนี้ก็เป็นการรุจนาคุณคุณสมบัติของพระธรรมมันไพเราะเหมือนกับเพลงที่ไพเราะไพเราะทั้งตอนตอน้นตอนกลางและตอนตอนปลายทั้งคือไพเราะทั้งเพลงพูดง่ายๆเหมือน คำถามจากคุณวรากรนมิงกราบธรรมสการพระอาจารย์ขอรับเวลานั่งสมาธิภาวนาพุทโทธทุกครั้งจะมีเสียงในแก้วหูเป็นเสียงเวลาเราอยู่ในป่าไม่ได้ยึดติดในเสียงนั้นเป็นเสียงที่มีอยู่ตลอดเวลาในหูจิตว่างอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับจะมีทางแก้อย่างไรบ้างครับถ้ามันว่างก็ไม่ต้องแก้เลยปฏิบัติก็เพื่อให้จิตมันว่าง ให้จไม่คิิดปุงงแตต่่ใใหห้จ้จอยยยูเฉสสบาามมีควมมควขำถามจากคุณโดนโคคิวเสงกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการเจริญปัญญาจะเริ่มต้นอย่างไรครับก็ให้พิจารณาร่างกายเราเรืองต้นว่าร่างกายเราไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้อพิจารณาร่างกายคนอื่นและสิ่งอื่นๆว่าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นี่คือปัญญาให้เริ่มตอนที่นี้ คำถามจากคุณงิ้งสวยแท้ตั้งนรรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกภาวนาด้วยอนาปานาสติได้หนึ่งชั่วโมงจิตก็ถอนออกมาเองบางครั้งก็เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าลูกภาวนาต่อไปเรื่อยๆหรือเดินจงกรมต่อไปทําแบบนี้ถูกใช่ไหมคะถูกต้องถ้านั่งได้ก็นั่งต่อดูลมต่อไปใหม่หรือพุทโธใหม่ถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินแทน เดินจน ก, กระทั่งพร้อมที่จะกลับไปนั่งใหม่ก็กลับไปนั่งต่อคำถามต่อไปจากคุณก้องกระดิ์กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เราอยากทําความดีอยากเข้าพระนิพพานถือเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นมัตตเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์การกระทําอะไรที่ทําแล้วทําให้ความทุกข์ดับนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลส การกระทำอะที่ทาแล้วทำให้เกิดความทุกข์พวกนี้ว่าเป็นกิเลสหมดแล้วเจ้าค่ะความอยากมีทั้งเป็นความอยากที่เป็นกิเลสและความอยากที่เป็นธรรมความอยากไปนิพพานความอยากรักษาศีลความอยากนั่งสมาธิความอยากฟังเทศฟังธรรมเหล่านี้เรียกก็เป็นธรรมเพราะนำไปสู่การดับทุกข์นำไปสู่ความหยุดพ้นจากความทุกข์ แต่ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้ลาบยศสารเสริญอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นตอนนี้มันจะนําไปสู่ความทุกข์เราก็เรียกว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไงลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเจริญลาบแล้วเดียเเยดเด๋ยวก็เสื่อมลาบเจริญยศแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมยศมีสรรเสวนเดี๋ยวก็มีนินทาตามมา มีสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวก็มีทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายทงมางั้นถ้าเราไปอยากได้สิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับการไปหาความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นกิเลสมีคําถามจากโยมผู้หญิงฝั่งเราเจ้าค่ะกราบทูลถามพระอาจารย์ว่าการเข้าถึงพระโสดาบันแล้วนั้นพอเราหายไปจากการปฏิบัติเป็นเหตุให้เสื่อมลงแล้ว กลับมาฝึกอีกครั้งเราจะสามารถเข้าถึงพระโสดาบันได้อีกไหมครับพระอาจารย์อ๋อถ้าเข้าถึงโสดาบันแล้วไม่เสื่อมนะไม่มีวันเสื่อมจากโสดาบันเหมือนเรียนจบปริญญาตรีแล้วไม่มีเสื่อมเขาไม่มาเก็บปริญญาจากเราไปแต่ถ้าเรียนไม่จบเนี่ยก็ยังไม่ให้ปริญญากับเราถ้าเราเจริญมากอยู่แต่ไม่บรรลุผลนี่ก็ ก็ถือว่ายังยังไม่เป็นโสดาบันเป็นผู้กำลังศึกษาที่จะเป็นโสดาบันอยู่ก็ต้องศึกษาต่อไปจนกว่าได้เป็นโสดาบันโสดาบันก็จะละสังโยชน์ได้สามคือสักกายาทิฐิความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็ละความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็ละการการสงสัยในในศีลธรรมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าหรือไม่จะละได้คือใครที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเห็นไม่สงสัยในศีลว่ารักษาไปทําไมศีนี้เป็นสิ่งป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับใจเพราะผู้ที่ทําบาปนี้ตายไปจะต้องไปเกิดในอบายนั่นเองแต่ถ้ารักษาศีลได้ตายไปจะไม่ไปเกิดในอบาย คำถามจากคุณรจนานะคะกราบเรียนพระอาจารย์การดูลมตลอดเวลาทำอย่างไรครับก็เหมือนกับดูหนังตลอดเวลาทำยงไงก็ดูที่จอเลยนะเวลาจะดูหนังก็ดูที่จอเลยเวลาดูลมก็ดูที่ปลายจ ม, มูกนีลมมันก็เข้าออกที่ปลายจ ม, มูกก็ค่อยดูมันตรงนั้นหรือกลางหน้าอกก็ได้ดูความรู้สึกของลมที่เข้าไปในร่างกายเวลาเข้าไปหน้าอกก็จะพองขึ้นมา เวลาออกไปมันก็จะยุบลงไปนี่ก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอก็คือการดูลงนี่คำถามต่อไปจากคุณโดนพระอาจารย์ครับการจะเข้าฌานได้ต้องภาวนาให้จิตแนบสนิทกับพุทโธไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ครับกราบพระอาจารย์ได้ <ๆ S 1> อยู่พุทโธไปเรื่อยๆหรืออยู่กับลมไปเรื่อยๆไม่ใช่พุทโธเพียงเดียวลมก็ได้หรือ ย, อยางอื่นก็ได้กระสินก็ได้แสง ถ้าเยวสีแดงสีเหลืองนี่ก็ได้ใช้เป็นอารมณ์แทนพุโทโธก็ได้คำถามจากคุณแม่มศิริลักษณ์นะคะกราบนามัสการค่ะวางจิตวางธรรมเช่นไรไม่ให้ยึดความทุกข์ที่เข้ามาในใจเราค่ะวางจิตวางใจเช่นไหนก็วางในอุเบกขาไงเชิงปราศจากความลักชังกลัวหลงแทนได้อเบขาก็ต้องนั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ แล้วใจก็จะเป็นกลางจะวางเฉยได้เวลาสัมผัสรับรู้กับอะไรก็เฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคำถามจากคุณวิชรุตค่ะ นั่งสมาธิพอถึงจังหวะที่เห็นร่างกายหยุดหายใจแต่เห็นได้แป๊บเดียวแล้วอึดอัดเด้งออกตลอดเคยนั่งแบบจะตายก็ให้มันตายไปแล้วเห็นเหมือนกายแยกออกจากใจครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่กล้าแบบครั้งนั้นอีกเลยครับจะแก้อย่างไรครับก็ครั้งที่แล้วทำได้เลยทำไมทไมไม่ทำเหมือนครั้งที่แล้วอีกก็ทำเหมือนเดิมดูลมไปเฉยเฉยลมมันจะหมดไปจากร่างกายก็ ก็รู้เฉยๆไปไม่ต้องทำอะไรเหมือนเราดูหนังอะ่ะหนังมันยิงกันก็ดูไปมันมันหยุดยิงเราก็ดูไปไม่ต้องไปทำอะไรดูเฉยๆนั่นเองคำถามจากคุณมนสิกาค่ะกรบาบธรรมสการพระอาจารย์เวลานั่งภาวนามีความรู้สึกวูบแล้วหูวอื้อมีความรู้สึกแน่นแล้วเห็นเมฆไหลไปมาวนเวียนเราต้องเพ่งหรือว่าต้องหยุด อยู่กับพุโทโธคะ่ะอยู่กับพุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปทางการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าไปอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่มีความสำคัญอะไรเพราแล้วจ้ะคะเพราะถ้าเราไม่ดูดูลมหรือพุโทโธต่อไปจิตเราก็จะหยุดแค่ตรงนั้นแล้วมันก็จะไม่ไปสู่ความสงบได้ แต่ถ้าเราดูต่อไปดูลมต่อไปหรือพุโทโธต่อไปเดี๋ยวจิตมันก็จะเข้าฌานเข้าสู่ความสงบได้ยิ่งเวลานั่งสมาธิอย่าหยุดถ้าพุโทโธก็อย่าหยุดพุดโทโธจนกว่าจิตจะดิ่งลงสู่ฌานแล้วมันก็จะหยุดของมันเองหรือถ้าดูลมก็ดูไปจนกว่จิตมันจะดิ่งเข้าสู่ฌานแล้วก็ลมก็จะหายไปเองไม่ต้องไปทําอะไรให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยไปเพียงอย่างเดียวมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม คำถามที่ส่งมาทางบ้านหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเลอกแล้วก็อยากเข้ามาถามนะมักจะชอบเข้ามาถามตอนที่เลอกแล้วตอนที่ไม่สะดวกเพราะเดี๋ยวต้องเก็บข้าวเก็บของกันถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ